เทศนาแผที่75ลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่5พฤษภาคม2558มีชื่อเรื่องว่าปฏิ ป, ปทาวัดป่าวัดตาตอนที่หนึ่ง วั น, นี้เป็นวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2558ัราแแต่ละวันหลวงพ่อก็ได้ให้แนวความคิดนานาทัศนะนานาความคิดเห็นแต่ลูกหลานทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังจะเบื่อในการได้ยินได้ฟังก็ไม่ทราบเหมือนกันนะลูกหลานนะ ถ้าว่าใครได้ยินได้ฟังไม่อยากฟังก็ปิดโทรศัพท์ปิดหูก็ได้ <c oughs> แต่คนที่จ ะ, ะเฉลียวฉลาดแล้วว่าคนที่จะรู้เรื่องราวต่างๆได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเพราะนั้นวันนี้เมื่อวานนี่หลวงพ่อก็พูดแบบขี่ม้ารอบข่าย ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายฟังแต่ผู้ที่ไม่ได้รู้เรื่องก็คงจะฟังกับงงๆแต่ผู้ที่รู้เรื่องก็ฟังแล้วก็คงจะเข้าใจในวิธีการวิธีการพูดของหลวงพ่อแต่วันนี้หลวงพ่อจะให้แนวความคิดอีกส่วนนึงอย่าที่หลวงพ่อพักไว้ในครั้งก่อนข่าวก่อนที่หลวงพ่อเข้าไปสู่วัดป่าบ้านตาด ที่ว่าหลวงปู่ลีพาเข้าไปเข้าไปหลวงพ่อจะไปสงน้ําหลวงตาหลวงตาดุกให้ในวันนั้นแต่นั้นหลวงพ่อจะพูดให้คณะทายาทโยมลูกหลานได้ฟังพระเนได้ฟังเพื่อเป็นการเรียนรู้เพื่อการศึกษาในช่วงที่หลวงพ่อเข้าไปวัดป่าบ้านตาดนั่นชีวิตประจําวันของพระวัดป่าบ้านตาดในช่วงนั้น ไม่ใช่ช่วงอื่นนะหลวงพ่อช่วงอื่นหลวงพ่อจะไม่พูดพูดช่วงที่หลวงพ่อเข้าไปที่จำได้ <c oughs> เพื่อการศึกษาให้กับพระเนนทั้งหลายเพราะว่าหลวงพ่อเข้าไปแต่ปี 2,512 ถึง 2,525 ย25้าเป็นเวลา1ิบสี่ปีจำพรรษาต่อเนื่องไม่ได้ออกไปจำพรรษาที่ไหนแต่หน้าแรง ออกไปเที่ยวทุ่งบางออกไปเที่ยวทุง่งตามวัดต่างๆตามสถานที่ต่างๆที่มาเห็นอเภอนายูงที่มาสร้างวัดป่านาคำน้อยนะครับนั่นแหละหลวงพ่อมาอยู่ไปอยู่องหลวงตาเป็นเวลาเจ็ดปีนะแล้วก็ปีที่แปดมั้งหลวงตาหลวงพ่อจึงได้ออกมาเที่ยวมาเห็นในละแวกนี้จึงนะมาเห็นป่าหลงพงไพ่ยอยู่ในละแวกนี้นะจึงได้มา สร้างวัดป่านาคามน้อยแห่งนี้ในขั้นตอนต่อมาเน่ยแต่ใ น, ในขณะที่หลวงพ่อเข้าไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตากชีวิตประจําวันของพระวัดป่าบ้านตากหลวงตาแนะนําสั่งสอนอย่างไรคือหลวงตาเน้นทังสอนเข้มงวดนะสมัยนั้นแปลว่าครูบาอาจารย์ยังมีพร้อมหลวงปู่เทศแต่หลวงปู่เทศยังไม่ขึ้นมานะ หลวงปู่เทศยังอยู่ภูเก็ตอยู่ในช่วงนั้นมีหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่แถบแถบนี่แหละหลวงปู่เหรียญหลวงปู่ซามาหลวงปู่คำดีหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบกยังงในช่วงหลวงพ่อเขาไปหลวงปู่ชอบยังอยู่อยู่ทางภาคเหนืออยู่ พอช่วงหลังๆหลว ง, งปู่ชอบนีค่อยลงมาแต่เราหลวงปู่อะไรแถวสีเชียงใหม่มีมากนะกูบาอาจารย์อย่างเยอะสมัยก่อนเพราะนั้นหลวงพ่อก่อนที่จะเข้าวัดป่าบ้านตาหลวงพ่อเใครก็ว่าเป็นนักราอาจารย์เหมือนกันนะใครว่านักราอาจารย์แค่แค่ว่าเข้าไปเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้และองค์ไหนที่เราถูกกับอุปนิสัย นิสัยของเราเข้ากับเข้ากันได้กับองค์ท่านเรายอมรับน้อมรับมอบกายถวายชีวิตได้พอเราเป็นใยในการศึกษาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงเรียงลําดับมาตั้งแต่หลวงปู่แว่นหลวงปู่ฉิมหลวงปู่ฟันหลวงปู่สมัยหลวงปู่สิงทองหลวงปู่สุพัฒนหลวงปู่สิงทองแล้วก็หลวงปู่ ขาวหลวงปู่น้องแสงหลวงปู่อ่อนมาหลายองค์เหมือนกันนะแต่ชอบใจก็คือหลวงปู่ฟัน่นชอบใจเพราะว่านิสัยท่านเยือกเย็นแนะนำสั่งสอนให้ภาวนาวิธีการปฏิบัติเราชอบใจแต่เราไม่ชอบใจตรงที่ท่านไม่ไม่เข้มงวดไม่เข้มงวดกวดกันกับพระพอเราอยู่กับหลวงปู่ล่า หลวงปู่ล่าเนี่ย ถ, ถึงที่ท่านจะน้อยน้อยองค์แต่สําหรับพระเนี่ยท่านจะเข็นแต่ี้อย่างหลวงปู่ฟันเวล้ปัดกวาดปัดกวาดลานวัดกว้างกว้างกว้างขวา ง, วางพอปัดกวาดเสร็จแล้วก็องมาตักน้ำกนํำสูบน้ํำใส่ที่ล้างบาทที่ล้างเท้าเพราะมสมัยนะั้นไม่มีก๊อกน้ําน่ยต้องเข็นน้ำํำพระต่างหลายองค์แต่เราเนี่เป็นพระที่ว่า เคยฝึกมาแล้วเรื่องกิ จ, จวัตรขวอวัดเนี่ต้องทำนะํำเพราะฉะนั้นเราทําเราก็ต้องโดดเข้ามาทำพอทําแล้วก็ต้องหนักเนี่ยพอหนักหมู่พวกเพื่อนกันเราเลาะแร่แร่ในช่วงนั้นเราอย่างนี้เราไม่ชอบคือไม่เป็นผึกแผ่นเราช่วยกระจงช่วยกันทําประยุ์ก็ต้องหยุดไม่หยุดก็ต้องต้องพูดพูดกล่าวบอกกล่าวกันได้แต่นี้เราอยู่ประมาณสักเป็นเดือนเหมือนกันนะ แต่เราชอบในหงแนวปฏิปทาของหลวงปู่ฟัน่นนิสัยท่านเยือกเย็นท่านสอนคู่คนมีนิสัยสวยงามหลวงปู่ฟัน่นนะไม่กระทบกระเทือนไม่กระทุ้มกระแทกผู้ใดใครทั้งหมดอันนี้ก็คือแนวปฏิปทาของหลวงปู่ฟัน่นต่อมาอยู่กเราก็สวดปฏิโมกี่นั่นอีกนะเพราะท่านไม่มีพระปฏิโมกเราก็สวดก็เป็นที่ยอมรับกับคณะ สมัยนั้นคือเจ้าคณะรองเจ้าคณะจังหวัดเเอจ้าขุนพิสารอยู่ที่อำเภอพันนนิคมมาร่วมอุโบสถ ด, ด้วยท่านก็เอ้ยท่านท่านอจาไปที่ไหนนะท่านอยู่ที่นี่นะเพราะว่าพระในช่วงนี้พระเนี่ยนะ่ะท่านเหมาะแล้วละมาอยู่ที่นี่เราก็เฉยเฉยแล้เราสวดครั้งที่สองเสร็จแล้วเดือนกว่าแล้วเราก็เลยกราบลาท่าน แต่พระในวัดของท่านของคงไม่คาดคิดว่าหลวงพ่อจะออกมาเร็วพอหลวงพ่อดูดูแล้วก็เมื่อมาอยู่ที่นั่นก็ทํากิจวัตรข้อวัดเนี่ยออแปลว่าดีที่สุดะะนะพอฉันหลวงพ่อมาอยู่กับวัดหลวงปู่สมัยอพอหลวงปู่สมัยก็มาเจอกับรองเจ้าคณะจังหวัดอีกเจ้าคุณพิสารอีกเอาทาไมท่านมาที่นี่ทําไมท่านไม่อยู่กับหลวงปู่ฟัน่น แต่อาจารย์สมัยหลวงปู่สมัยท่านบอกเอ้ยท่านอินท่านเคยรู้จักมักคุ้นกับผมมาก่อนอยู่ที่อําเภอคำเชี อ, อีอยู่ ก, กับหลวงปู่มหาเมดูอยู่กับหลวงปู่ลาดท่านก็เลยมัแวะเวียนมาเยี่ยมครับผมท่านไม่เคยมาเราก็เลยบอกกับผมไม่เคยมาทางนี้ก็เลยจะพยายามตะเวนดูก่อนครับผมกับผมจึงได้หมากลับอยู่ ก, กับหลวง ท่าพระอาจารย์ครับแต่ก็เงียบไปแต่ท่านนี่ท่านขูนะใครๆก็กลัวหมดเลยจะคุณพิสารเนะี่ยพอท่านเป็นนักเลงนักเลงพอตบๆเลยนะแต่ท่านก็ไม่พูดอะไรหรอกเพียงพูดนั้นก็เลยจบจากนั้นก็มาอยู่กับหลวงปู่สุพัฒน์บ้านใต้จากนั้นก็มาอยู่กับหลวงปู่ชิงทองที่วัดป่าแก้วชุมพลแต่หลวงปู่ชิงทองก็อยากจะให้อยู่ด้วยเพราะหลวงปู่ชิงทองเคย ไปอยู่ที่บ้านห้วยสายรู้จักตระ ก, กูลของเราผู้ใหญ่จูงพวกพี่น้องลูกหลานท่านไปอยู่หลายปีท่านก็อยากจะให้อยู่ในในมองมองดูแล้วท่านคงจะจะจะให้อยู่ด้วยที่นั่นแต่เราก็น่าจะไปดูหลายๆแห่งเพราะเราตะเวนหาครูบาอาจารย์พวกนี้ง่ายจากนั้นก็เข้ามาอยู่ถ้ากองเพงอยู่ถ้ากองเพงก็ดีนะ ทำกองเพนก็ดีแต่หลวงปู่ขาวนะ่ะนิสัยนิ่มๆเงียบๆน่ะนิสัยไม่ค่อยพูดนะโอ้เวลาท่านดุขึงขังไม่ใช่น้อยเหมือนกันอแต่หลวงพ่อเขสวดปฏิโมกอยู่ที่ทำกองเพลอแต่วันหนึ่งวันหนึ่งนะเห็นหลวงปู่ขาวดุนะเห็นเงียบๆจดจ่อยพผอมๆนั่งเงียบๆนะอ แต่วันหนึ่งมีพระมีพระเนนั่งเรียงเียกันอย่างวัดเรานี่ยนะแล้วก็มีกระป๋องกระป๋องน้ำผลไม้กระป๋อ ง, งผลไม้นะมันเปรี้ยวจิตดเหมือนท่าองค์หนึ่งก็เห็นว่าคิดว่าคงจะเป็นเหมือนกับน้ำลำใหญ่และน้ำริ้นจียังรักรักษาอย่างนั้นละ่ะก็เลยเทใส่แก้วพอเทใส่แก้วเสร็จก็ส่งให้องค์อื่นต่อไป มันก็ไม่มากใช่ไหมก็ไม่รู้จะองค์ไหนได้บ้างแต่องค์ที่ท่านเห็นก่อนท่านก็ใส่ได้มากเทกใส่ครึ่งแก้วนะ้ามันนะแต่เนื้อมันก็ส่งไปทีนี้พอองคนั้นอนะ่ะท่านก็พอฉันเสร็จแล้วท่านก็จิบน้นะําน้ําที่น้ําผลไม้นะ <c oughs> ผละไม้ผลไม้กับป่องพอจิบเขบ้าไปมันเปรี้ยว แล้วมันเปรี้ยวจริงๆว่างั้นเถอะเพราะมันเปรี้ยวทีนั้นก็ทอๆๆๆๆไปเออก็เลยเทใส่แก้วให้ององที่สองต่อไป อ, องค์นี้ก็ค่อยๆฟังหนูององนั้นจะทํำยังไงองค์ที่นั่นก็ใส่ก็เก็บเข้าไปอีกมันก็จี๊ดเออมันเปรี้ยวอย่างเหมือนกับกินสารส้มลักษณะอย่างนั้นนะเออองนั้นก็ทอๆๆๆๆไปเออ พอโทรๆองนี้อดหัวเราะไม่ได้องคนี้ตั้งท่าจะหัวเราะอยู่ใช่ไหม เ, เพื่อจะหลอกให้องค์นั้นดื่มใช่ไหมองค์นี้ก็ฮือ ฮ, ฮขึ้นมาเลยไอพวกหมูวนี่ก็เห็นว่าองนั้นฮือๆกันองนั้นก็ฮือๆขึ้นกันมันหัวเราะเนีพอองนี้มันเปี้ยวเลยไหมองค์นั้นหลับหูหลับตาเลยลงปูขาวมองไปมองจำเรืมองพอนางไม่ไกลท่านนี่พระประมาณสักสิบกว่าองนะมองครั้งที่สองก็ยังหัวอยู่ มองครั้งที่สามพอมองครั้งที่สี่เท่านั้นแหละไม่ใช่หลวงปู่ขาวองคาวแล้วนะยึกไหลขึ้นมาเลยว่างั้นทำท่าทางยึกไหลขึ้นมาพระเหล่านี้มันเป็นยังไงมันต้งกินมันต้งหัวเราะด้วยเหรอเพ้อเพลินขนาดนี้นเหรอกินข้าวของชาวบ้านเขาเออมันจะลงอาเวจีมหานรกนะพระเหล่านี้นะ้อโวย ความหัวเลาะความขำทั้งหลายเงียบเก็บมันยังไงเนี่ยมันกินด้วยความเพิดความเพลินแล้วเนี่ยพระเราเนี่ยนหะมันไม่ได้กินด้วยความมีเฮลิโอตปะหเลยนีย่มันไม่ได้กินด้วยสภาวะสำรวมระวังเลยมันกินข้าวของชาวบ้านมันกินข้าวก้อนเหล็กแดงเข้าใจใช่ไหมถ้าไม่กินไม่พิจารณาทําไมพระเหล่านี้เป็นอย่างนี้ฮะโอ้หลวงพ่อเห็นหลวงปู่ขาวดุเนี่ยสองสองครั้งในยสามครั้งในไปอยู่ที่นั่นนะ โต๊ตโตเออไม่ใช่ธรรมดาฮะจบแล้วเออเห็นหลวงปู่ดุนะเนี่แหละท่านดุมีเหตุมีผลนะเออคล้ายๆกันมันจะเพิดเพลินทำไมเอ่อเป็นหัวเราะอะไรไม่รู้จักจบจากสิ้นนะเออในที่สาธารณะอีกต่างหากที่ฉันจังหันอีกต่างหากนะเนี่ยแหละหลวงพ่อเห็นอืมแนี้แหละหลว ง, งปู่ถึงท่านอายุถึงจ ะ, ะเข้าแปดสิบล้วก็เถอะในช่วงนั้นนะ ไม่ใช่ธรรมดายังมีชั้นเชิงลวดลายแห่งความรักษาธรรมวินัยกฎระเบียบอย่างเข้มงวดกวดขันหลวงพ่อเห็นแล้วอืหลวงปู่หน้าเคารพนับถือเลื่อมใสอย่างมากแต่หลวงพ่อก็อยู่ที่นั่นอไปฟังอะไรทุกวันท่านก็ไม่ได้พูดอะไรมากไปสงน้ําท่านเลอพระเนนไปสงเสร็จแล้วก็ชั้นน้ําอะไรเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกัน เพราะมีอะไรก็ฉันไปตามที่มันมีมันเกิดนะจากนั้นมาอยู่วัดหลวงปู่น้องแสงอย่างที่ว่านะ่อไปอยู่น้องแสงหลวงปู่น้องแสงกิจะไปไหนล่ะนะท่านจะไปไหนผมจะไปวัดหลวงปู่อ่อนครับหลวงปู่บัวเนะี่ยท่านเคยไปอยู่ที่บ้านห้วยสายรู้จักคุณย่าแม่ชีแก้วอแล้วก็ผู้ใหญ่จูมนะท่านรู้จักมดตระกูลของเราอท่านก็รู้จักวันนี้คือลูกของนายแดงฮะลูกพี่ชายท่านก็อื ให้ข้าว่าท่านก่ท่านจะอยู่ที่นั่นท่านก็ยินดีที่จะให้อยู่นะอแต่ท่านก็บอกว่าจะไปไหนล่ะก็ผมจะไปวัดหลวงปู่อ่อนครับเพราะไม่เคยมาทางอีสานเลยไม่เคยมาทางนี้เลยครับผมเดี๋ยจะมากราบครูบาอาจารย์หลายๆแห่งอย่าไปดูที่อื่นนะอย่าไปดูที่อื่นนะดูนี่น่ะดูที่ใจนี่นะท่านชี้ที่หัวใจถ้าดูที่นี่แล้วมันจะจบ ถ้าดูที่อื่นนะกว้างขวางไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดให้ดูที่ใจนี่นะอย่าไปดูที่อื่นนะมันออกไปจากที่นี่ทั้งหมดเรื่องทั้งหลายทั้งปวงนหะลวงพ่อยังจำไม่ลืมนะเป็นเวลาทั้งสาสิบกว่าปีนยะมันถึงใจถึงพูดคำน้อยๆคำชั้นสั้นแต่ว่ามีความหมายใช่ทุกสิ่งทุกอย่างมาพิจารณาเมื่อไหร่ใช่ออกไปจากใจทั้งหมด อย่าไปดูที่อื่นนะถ้าอยู่ที่ไหนมันดีหมดถ้ามันเจ้าของดีแล้วหัวใจดีแล้วอยู่ที่ไหนมันดีหมดถ้าหัวใจเลว็วหัวใจเดือดร้อนหัวใจวุ่นวายหัวใจกระสับกระส่ายหัวใจไม่มีศีลมีธรรมหัวใจโลภโหโมโกณนะโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะไปอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละถ้าหัวใจเป็นธรรมนะอยู่ที่ไหนก็ดีนะท่านก็บอกตอนนั้นท่านก็ไม่พูดอะไรเราก็ครับผม แต่แเราก็ไปนะอพอไปเสร็จแล้วก็ได้ไปเข้ากับหลวงปู่ลีอย่างที่ว่านะั่นนะเอหลวงปู่หลีเขาพาไปบ้านตัน <c oughs> ดวันแรกนะอจากนั้นก็เขาพระท่านก็จัดกุฏิให้หลวงพ่อพักอหลวงพ่อพักที่กุฏิต้นมะเกลือกอไผ่ใกล้ๆกันก็เย็นดีนะมันเป็นร่มเย็นแต่กุฏิล้างๆหรอกกุฏิ กุติวัดป่าบ้านตาดเขาว่าหาหลังดีไม่ได้หรอกีแต่หลังอะไรก็อนโลดๆโซโซไปมีพื้นก็แบบตีโกโลโกเกกไปท่านก็จัดให้หลังนั้นแ่ะนอนพอได้พักประมาณสักสามสี่วันตอนนี้มีพระพระพระฝรั่งมาจากออสเตรตเลียชื่อถ้าจำาิชื่อไม่ผิดชื่อวันท่านเจมส์พอมาแล้วท่านก่อนมาพักอีกหลังหนึ่ง เทนี้พอกลางวันอากาศมันร้อนเน่ยช่วงพ่อเข้าไปในช่วงเดือนเมษาพฤษภาต่อพฤษภานอากาศยังร้อนอย่างในช่วงนี้แหละในช่วงช่วงขนาดนี้แหละเทนี้ท่านก็เดินโตเตะกลางวันท่านก็เดินโตเตะเข้าไปในครัวครัวคือครัวโยมบรรดาของท่านคุณแม่ชีน้อมอยู่ที่ครัวเป็นแม่ชีนะท่านก็ตามไม่จริงท่านจะไม่ให้เข้าไปล่ะพระ ถ้าไม่จำเป็นห้ามเข้าไปผมเป็นสถานที่เป็นสถานที่แม่ชีห้ามพระเข้าไปเปี่ยนปุ้นเปี่ยนบุ่นวา ย, เ, ยเด็ดขาดถ้าเป็นพระไทยต้องไล่หนีออกจากวัดทันทีละ่ะถ้าเข้าไปไม่มีเหตุมีผลแต่นี่พระฝรั่งร้อนเห็นถ้าก็เดินเข้าไปเห็นว่ามันเป็นร่มเป็นป่าร่มคนเดินเข้าไปหลวงตาท่านก็บอกเอพระฝรั่งมาใหม่มันร้อนนะเปลี่ยนหลังไหน เปลี่ยนกุฏิหลังไหนให้เขาอยู่บ้างอาต้องดูใช่แต่ก็บอกหลวงปู่บนมีท่านยูนท่านจอนอาจารย์จอนสมนะัยนั้นเป็นพระที่เหนือเหนือเพื่อเห น, อเนือกว่าหลวงพ่อท่านก็บอกจะเอาใครเอาจะเอาท่านอินหพระออกใหม่องค์ใหม่เข้ามาเนี่ยเด็ก็เกรงใจท่านนะพึ่งย้ายเข้าไปกุฏิท่านเราจะย้ายกุฏิองค์นี้แล้วก็ให้องค์อื่นเข้ามาแทนที่กุฏิที่ นั้นกว่าเนี่ยองค์นั้นก็รู้ว่ามันร้อนอ่ะยังมาย้ายองค์นี้ไปหาที่ร้อนเน่ยมันมันจะไม่ถูกนันก่งเพียงท่านก็พิจารณากันฮะแต่ผลในสุดท่านก็อดไม่ได้เพราะหลวงตาบอกว่าให้ให้ย้ายพระฝรั่งอไปหาที่กุฏิที่มันล่มแต่กุฏิหลังที่ฝรังอยุ่มันมันมีมีมร่มมันร้อนอท่านก็มาพูดว่าท่านท่า น, า น, านพอจะ ให้ภาคฝรั่งอยู่ได้ไหมกุฏิที่ท่านไปอยู่ให้ท่านไปอยู่กุฏิหลังอท่านเจมอยู่ที่มานะ่ะได้ไหมหลวงพ่อโอ้ได้ได้ไ ด, ได้ไม่เป็นไรผมอยู่ได้ทั้งวันละอยู่ในเมืองไทยไม่เป็นไรอ๋อผมเดี๋ยวผมจะย้า ย, ย, ายให้เออครับโอ้ทัา น, นขอบคุณมากมากนะท่านก็มีน้ําใจมีเมตตาคนละ้ายๆกับว่าท่านเกรงใจเราเหมือนกันแต่เราก็บอก ว, ว่าเราอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราไม่ได้เลือกว่น จุดนั้นดีจุดนี่ไม่ดีเราไม่ได้ว่านะในเมื่อเราเข้าไปเพื่อการศึกษาแล้วเราอยู่ที่ไหนก็ได้ทั้งหมดถ้ามันร้อนเราก็อยหลบไปหาอยู่ที่อื่นก็ได้กลางวันกลางคืนเราก็ค่อยมาอยู่ที่พักพาอาศัยอได้เป็นไรไปอู่ที่ไหนมันก็ร้อนทั้งหมดรู้จักวิธีการหลบมันก็หลบได้เราก็เลยรีบย้ายห้เลยจากนั้นพระฝรั่งก็มาอยู่ที่กุฏิของเราคําอันดับแรกพอต่อมาเนี่ยพอต่อมา ก็มีการประชุมประชุมครั้งแรกเราก็ไม่เคยเข้าประชุมพอหลวงปู่ลาท่านก็ไม่เคยประชุมมีมีอะไรก็จะมาสองสมองค์มาจับเข่าคุยกันแล้วก็จบแต่ในพระบัณตารมันสิบกว่าองค์ใช่เรียกประชุมพอพระเรียกประชุมก็เอาไฟฉายมีไฟฉายมีผ้าปูนั่งแล้วก็มีผ้าจีบอลพอเรียกประชุมนัดเวลาหกโมง พระหรือว่าหกโมงครึ่งนัด6กโมงครึ่งพระก็จะต้องไปหกโมงพร้อมกันทั้งฟ้าพระฝรัง่งพระไทยพอไปขึ้นไปนั่งปูเสร็จเรียบร้อยปูอาสนะท่านเรียบร้อยผู้เกี่ยวข้องกับปูอาสนะท่านหลวงตาจากนั้นหลวงตาก็เดินลงมาเดินลงมามีตลับหมากกันหนึ่งแล้วก็มีผ้ายายของท่านเองแล้วก็มีผ้าจีบร พาดบาลงมาพอมาถึงที่ท่านกา็วางตลับหมากวางไ ฟ, ไฟฉายในที่นั่งของท่านจากนั้นท่านก็ครองผ้าเลี้ยงเลี้ยงไปของผ้าห่างจากจพระประธานคือหน้าพระประธานอยู่ตรงนี้ท่านก็จะเลี้ยงเลี้ยงไปข้างๆไม่ให้อยู่ตรงหน้าพระประธานในการคลองผ้าของท่านนะพอครองผ้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก่อนเดินเข้ามากราบ การกราบของหลวงตากราบสวยงามมากนะกราบไม่รีบกราบไม่เร่งนะกราบแบบสัมมาคารวะจริงๆหลวงตากราบพระนะกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์สามครั้งแล้วก็กราบรูปสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่องค์ที่องค์พผอมๆนะที่เป็นที่อยู่วัดบวริเวศไม่ใช่องค์ปัจจุบันนะองค์จะเป็น เป็นหมู่เพื่อนกันท่านกราบสมเด็จพระสังฆราชองค์นั้นแล้วก็กราบพระอุปชากราบพระหลวงปู่มัน่นพอกราบหลวงปู่มั่นเสร็จแล้วกราบพระอุปชาของท่านคือเจ้าคุณธรรมเจดีท่านกราบสามองค์กราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็กาาราบสมเด็จพระสังฆราชองค์นั้นแล้วก็กราบหลวงปู่มัน่นแล้วก็กราบเจ้าคุณธรรมเจดีพระอุปชาของท่าน โดยมากหลวงตาจะกราบหกครั้งนะกราบพระพุทธญาณพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็กราบ อ, าอย่างสามองค์นั่นแหละจากนั้นท่านก็ลุกขึ้นมาเดินมามาคนมานั่งประจําทีพอนั่งประจําทีเสร็จแล้วท่านก็มองดูพระพร้อมกันแล้วนะท่านก็ปรนทรทำละท่านก็ถามทำ ถ, ถามเลยแต่ท่านก็มองเลือกไปเห็นหลวงพ่อเนะเท่านนี้มาจากไหนที่ท่านรู้แล้ว เกิดตามให้จริงคุณแม่ชีแก้วเนี่ยไปก่อนหน้านี้แล้วนะไปกระหาหลวงตาไปกราบหลวงตาอไปกราบหลวงตาพระท่านไปกราบเข้าไปกราบหลวงตาก่อนหน้านี้แล้วบอกว่าอืจะมีมครูบาลูกขน่อยเนอะจะมาอยู่กับหลวงท่านอาจารย์จึงยจงได้ก็พัดเพ่พระแน่จอนมอไม่จะได้ก็ให้รับไฟแน่ให้รับไฟแนนเนอรนเน์เป็นลูกหลานเป็นลูกขน่อยนะ คุณแม่ฝากไว้อันได้หลวงพ่อไม่รู้หรอกพ่อมาช่วงหลังๆนะคุณแม่พูดให้ฟังฮนะคล้ายๆท่านไปฝากไปฝังกับหลวงตาไว้ก่อนแล้วนะแต่หลวงตาท่านก็รู้อนะ่พอเราเข้ามากราบท่านก็มองมองดูนะท่านองค์นี้มาจากไหนนะเนี่ยเนนมาจากไหนทนะ่านเรามีเนนมาด้วยองค์หนึ่งนะมาจากห้วยทรายมาพบกันที่วัดหลวงปู่สิงห์ทองจำพรรษาด้วยกันเนนก็อยากจะมาด้วยติดตามมา เนรมาจากไหนเนี่ยมาจากห้วยทรายมากับท่านพระนี่แหละมาจากท่านอินเรื่องเนรนะไม่อยากจะเราไม่อยากจะรับนะเรื่องเนรมันเรื่องหลายเรื่องนะอมันมีเรื่องปกครองยากเนรแม่ชีหนึ่งเนรหนึ่งปกครองยากไม่เหมือนพระอพระคือกฎระเบียบการปกครองพระนง่ายกว่า พออยู่ในหลกักธรรมไมนได้ต่ อ, อยู่ในกฎระเบียบแตนเนเนี่ยมันออกลูก่นอกลูกลกลก่นอกทาง เ, าเห็นไหมสมัยก่อนอขนาดมาอยู่ที่นี่มันไม่มีบ ม, มีอัะเล่นมันไปเอาหัวไม่ขีดไฟมาทำเป็นบ้องไฟเอากระดาษกระดาษกอบแกบแกระดาษหนังสือเอโบลีเกตเกล็ดทองสมัยนั้นกรอบแกะกรบแก บ, แก บ, แกบหอแล้วเอาไฟจุดห่อล้ จูดเป็นบ้างไฟเล่นมันยังทำเนนนั้นเราไม่อยากจะรับนะะมันมันมีกฎมันมีข้อบังคับมันน้อยปกครองอยากะปกครองเนนเนี่ยอไม่ชี้ก็เหมือนกันเพราะนั้นเราจึงไม่รับไม่ชี้มากมีแต่โยมมันดากับไม่ชี้น้อมเนทะ่านั้นเราไม่รับออไม่เราจะไม่ไมอยากจะรับะเนนนี่นะอเรื่องยากเรื่องยุ่ง แล้วเท่าพันเเพ้วนั้นมาจากไหนเนี่ยกร ะ, ะผมมาจากวัดป่าบ้านห้วยทรายครับผมมาจากวัดหลวงปู่จามครับผมเคยจําพรรษาที่ไหนบ้างเคยไปที่ไหนบ้างกระผมเคยมามาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับผมเคยไปจําพรรษาเชียงใหม่เมื่อปีก่อนนะครับผมแต่ปีนี้จำพรรษาที่บ้านห้วยทรายครับผมฮะ ไอ้พระมาจากเชียงใหม่เนี่ยเราไม่อยากจะรับนะมันไปหาเที่ยวโต๊โต๊ะต๋อเต๋อมันไปหาเที่ยวดูคนอนะดูสาวนะ่ะลักษณะเนี่ยพูดง่ายๆอนะพูดแบบแบบนั้นนะพราะหลวงปู่สิงห์ทองท่านมาให้ข้อมูลหลวงปูลลงป่หลวงตาบัานตาดมาก่อนแล้วเออบอกว่าไอ้พระที่ไปเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยนะไม่ใช่ไปอย่างอื่นนะเอ่อไปหาดูคู่ดูคนเสร็จแล้วไปสถานที่ภาวนาก็ไม่มีหลวงปู่สิงห์ทองว่าไะ พราะนั้นหลวงตาเลยยึดเอาคําพูดของหลวงปู่ชิงทองนั่นหนะ่อยพอหลวงปู่ชิงทองไปเขาวนั้านนะ่อยไปวัดเจดียด์หลวงไปห้วยน้ําลินไปบ้านแม่แตงอาํเอาเภอแม่แตงสองสามวัดที่อยู่ในเมืองเท่านั้นเองหลวงปู่ชิงทองไม่ได้เข้าไปนู่นเขตเอําเภอเพล้าเขตเอําเภอในป่าในดงอําเภอสองดาวอําเภอเข้าไปข้างในหลวง หลว ง, งปู่ชิงถ่อไม่เคยครับไม่ได้เข้าไปท่านก็เลยออกมาพูดแบบแคล้ายๆกับว่าท่านมาเมืองเชียงมเมืองอุดรเนยท่านมาเห็นวัดโพวัดเห็นวัดโนนวิเวศเฮ้แล้วก็มาเห็นวัดรอบๆเมืองลักษณะนั้นท่านก็ออกมาพูดไม่ไม่มีสถานที่ปฏิบัติน่ะหลวงตากระจับประเด็นนั้นน่ะท่านก็พูดขึ้นมาเราไม่อยากจะรับนัพระไปอยู่เชียงใหม่มาเนี่ยเด่นเด่นด้าน ไปหาเที่ยวหาดูเฉยๆไหมครับไม่ใช่นักภาวนาเพราะนั้นเราไม่อยากจะรับพระที่ไปที่ไม่มีกฎเกณฑ์เน่ะพอพูดอันนั้นก็พูดธรรมะต่อไปล่ะทนนี่แต่เราก็พอได้ยินคำนั้นขึ้นมาต้งขู่เนรด้วยต้องขู่พระด้วยใช่ไหมละ่ะเราก็ตุบตุตอมต่อมลยท่นีเอ๊ะเอาอย่างไงวะ เราก็ไม่ใจไม่ค่อยสบายใจเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งเราก็คิดว่าเราไม่ใช่ว่าเราจะมาอยู่ที่นี่เออเราคิดว่าเราจะไปกราบครูบาอาจารย์ออกจากที่นี่หรจะไปหาอาจารย์จันทร์หนองคายจากนั้นก็หลวงปู่เหรียนหลวงปู่ชามาหลวงปู่คาดีไล่ไปเรื่อยจนครบทุกองค์พระในอีสานเนี่ยเราจึงจะเลือกเอาองค์ไหนเราจะหยุด อยู่องค์ไหนที่เราพอใจฮในความคิดของเราเนะี่ยแต่นี่ก็มามาที่หลวงตาท่านพูดอย่างนั้นขึ้นมาเราก็อื้อพอประชุมเสร็จท่านก็พูดธรรมะเออจับใจพูดธรรมะในภาคปฏิบัติของหลวงตาพูดเด็ดเดี่ยวชัดเจนพระทุกองค์ก็นั่งเงียบนั่งฟังธรรมเทศนาของหลวงตาพอจบแล้วเราก็เลยกราบพอกราบเสร็จแล้ว แล้วก็ไปหาที่พักกลางคืนพอพงในเช้ามาเราก็เลยถามหลวงปู่บุญมีนี่แหละท่านหลวงปู่บุญมีเป็นพระผู้ใหญ่ในในช่วงนั้นนะครูอาจารย์ครับที่พ่อแม่ที่พ่อแม่ครูอาจารย์พูดเมื่อคืนเนี่น่ะท่านว่าท่านไม่อยากจะรับเนร์แล้วก็ไม่อยากจะรับผมที่มาจากเชียงใหม่ที่ได้ยินเมื่อคืนนี่แหละท่านอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไง ถ้าหาว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านไม่รับแต่ผมก็จะหนีนะะผมจะออกไปแล้วนะผมก็จะออกจากวัดป่าบ้านตาดผมคงจะออกไปไปหาที่อื่นต่อไปโหไม่ไม่ไมม ม, ม, มท่านลงตาท่านครูไปอย่างนั้นแหละท่านไม่ได้พูดอย่างนั้นท่านไม่มีความหมายอย่างนั้นท่านขรูให้เราบอกให้เราสํานึกตัวอย่าเป็นผู้ละและของความไม่ตั้งใจ เท่านั้นแหละไม่มีอะไรไม่เป็นไรอยู่ได้อยู่ได้อย่างที่พู ด, พดเมื่อคืนเนี่ยพูดที่ท่านพูดให้ฟังขนาดนั้นเน่ะไม่มีปัญหาอยู่ได้เลยอยู่ได้ อ, อผมรับรองนี่แหละหลวงปู่บุญมีท่านก็พูดให้ตรงพ่อหลวงพ่ออืมก็เลยอยู่มาเรื่อยๆนะและแต่ชีวิตประจําวันของพระวัดป่าบ้านตาดในยุคสมัยนั้ น, นะเออพอถึงตีสี่ตีห้าพอมาตีห้าครึ่งอ่า เราก็ลงมาจากกุฏิทุกองนะเออลงมาจากกุฏิทุกองลงมาที่ศาลาพอที่ศาลาแล้วก็วางจัดอัฐบริจัดจัดบริขารของตัวเองให้เข้าที่พอจะเข้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เออมีกะลามเมเปาส์นะคืออาจสงตรงที่อาจสงที่พระนั่งนะเออเราถูกจ่เมื่อวานนี่แหละเราไม่ถูอีกอพอ วางที่นั่งกระโถนเสือปูนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเสือสาดเซ็ตเรียบร้อยแล้วลงมือเอากระลามะพร้าวถูพื้นละท่าถูพื้นซาลาเนะคือมะพร้าวหนึ่งเราตัดครึ่งลูกมะพร้าวล้วตัดครึ่งพอเราตัดเทืองล้วเอากะลาข้างในมันออกแล้วก็เป็นฝุ่ยๆใช่ไหมละ่ะแล้วก็สองมือแล้วก็จับทกเข่าถูซาลาเลยถูเลียงหน้ากระดานกันเลย ใครจะเอาห้องไหนก็เอาหรือว่าเอาเขีดเรียงหน้ากระดานกันก็เรียงถูถูถูถู ถ, ถ, ถโโูโอ้ตอนช้ามาได้เหงื่อมือนกันนะอใช้เวลาประมาณสักสามสิบนาทีเนะี่ยถูสลาหรือเกือบชั่วโมงบางครั้งนะทับพระทับพระน้อยนะแต่ภาพฝรั่งก็ลงมาถูเหมือนกันนะ เ, เว้นเสียแท่านปัญญาท่ า, น, านัญญาบางทีก็นั่งยองๆถูเหมือนกันอแต่หลวงปู่บนมีหลวงปู่ลีเนี่เอ า, นะเอาถูด้วยกัน่ะเออเป็นถูรอบ ถูชลาด้วยกันพอถูเสร็จแล้วก็เอาปัดกวาดพอปัดกวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลวงตากิท่านลงมาแล้วกัแล้วก็พระที่ขึ้นไปกุฏิล่งตามีอยู่สักสี่องค์โดยมากโดยมากสามองค์โดยมากสามอง ค, องค์องค์หนึ่งก็ขึ้นไปขึ้นไปก็ไปถูกุฏิกุฏิล่งตาเหมือนกันนั่งกุกเขาถูเหมือนกันถูรอบล่งตาก็อยู่ข้างในแหม พอถูเสร็จเรียบร้อยแหละพวกนี้ก็ปัดกวาดหลวงตาก็เปิดประตูกก็แก๊กเปดลูกกรอนมาลดูกกรอนองพระที่เข้าไปนะั่นแหองหนึ่งก็เข้าไปรับไปเอาบาดมาไปเอาบาดเอาบริขารของหลวงตาพอได้บริขารได้บาดหลวงตาเสร็จแ ล, แล้วก็ออกมาเลยองค์นะั้นพอเสร็จแล้วก็ได้มากะมาที่ศาลาเลยมาก็มาซ้อนผ้าสังขารติ ลงตายตรงข่มซ้อนาสังขารตินะซ้อนสังขารติจีวรสซ้อนสังขารติแต่องค์ที่องค์ที่สองพอเข้าไปก็ไปเอากระโถนเอากระโถนหมากของท่านกระโถนปัตสวะของท่านออกมาก็ม า, มามาวางให้มาวางให้ององอยู่ข้างล่างองค์ข้างล่างก็ได้เอาล้างกระโถนล้างกระโถนทําความสะอาดแต่ น้ำหมากของท่านเวลาจะเทนะท่านจะไม่เทเทสุม 4, สี่สมห้านะน้ำหมากของท่านเวลาจะเทต้องเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยใบไม้ออกซะก่อนพอเกลี่ยใบไม้เสร็จแล้วก่อดูอยู่โคนต้นไม้นะพอเกลี่ยเสร็จแล้วก็เทพอเทลงแล้วเอาใบไม้กบจะไม่มีเห็นน้ำหมากอะไรประเจดิดประเจิดเลยนะอถ้าว่าเป็นกระดาษเนี่ยโดยมากท่านจะจุดไฟ คือสีแล้วทั้งกระจุดไฟแล้วก็เผาเคือหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านเขารบในตัวหนังสือตัวอักษรนะลูกหลานให้ฟังเอาไว้นะแต่เราจะยึดแนวแถวหลวงปู่มัน่นท่านจะไม่ทิ้งตัวหนังสือลงกระถน อ, อไม่ให้ขาขี้เถิด่าถุนถุยน้ําลายใส่ตัวหนังสือท่านว่าตัวหนังสืออักขระนี่แนหะบันทึกพระธรรมคําสอนของพระพุทธทเจ้าก็าได้บันทึกอัตธรรมถึงมรรคผลนิพพานก็ได้ วพราะนั้นตัวอักษรทุกตัวต้องมีความหมายอาคืออันนี้ก็คือหลักทําคําสอนแะท่านจึงให้ความเคารพเพราะท่านยังไม่ไม่ทิ้งตัวหนังสือลงกระโถนอต้องจุดไฟซะก่อนจุดไฟเพราะฉะนั้นจะก่อนจะค่อยอาลงกระโถนโดยมากหลงตาท่านทําอย่างนั้นะออแต่เน้ท่านกัเ ท, ทิดเจ้วท่านกับเทกระโถนของท่านเอาเวลาเราไปเทกระโถนก็ต้องเอ เปิดแหวกใบไม้ออกแล้วก็กบดินทุกครั้งต้นไม้เนี่ยกระถิ่นปัสสาว ะ, ะเราก็ต้องเทเอาน้ําใส่เทซะก่อนเทให้มันเกือบเกือบเต็มกระถิ่นนั้นเราก็เป็นลาดใส่ต้นไม้ที่ท่านปลูกใหม่ๆตั้งต้นลำยยํำไยต้นข น, นนะุนเนี่ยเทเสร็จแล้ ว, ลวเอาน้ําล้างใส่สบู่ล้างเสร็จเรียบร้อยก็คอบเอาไว้อันนั้นคือองค์อยู่ข้างล่างแต่องค์อยู่ข้างบนนั่นก็ พอเข้าไปออกขดโขนส่งให้องคข้างล่างเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วองค์ข้างบนนั่นก็ดูเอาผ้าห่มของท่านออกม า, าตากแดดออกมาพึ่งในลูกโรงที่กุฏิของท่านาตากๆๆแล้วอมไม้คีบๆๆเพื่อมให้ลมพัดปิวแล้วก็วันไหนในองค์นี้ก็ถูกถูกดูบ่อยถ้าวันไหน ถ้ามีมืดเค้มขึก็มายังเอาผ้าออกมาตากนั่นแหละโดนไม่มีชิ้นดีอีกเหมือนกันมันโง่มันทําไมมันไม่เห็นว่าฝนมันจะตกเห็นมัน อ, ออกมาตากฝนทําไมเนี่ยพระเนี่ยฮะเนี่ยพระองค์เนี่ยก็ต้องคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันถ้ า, าว่าไม่เอาออกมาตากมันี่ยมองออกมาผ่านทำไมมันไม่ออกเอาผ้าออกมาตากเนี่ยแหละอันนี้ก็คือการปฏิบัติวงหลวงตาแล้วก็องค์ที่เนี่ยองค์องค์งที่เข้าไปดูเนี่ย องค์ที่เข้าไปดูแลองค์เนี่ยแต่ององผ้าองค์รับบาดมาไม่เท่าไหร่หรอกพอรับบาดเสร็จแล้วอก็ามาวางเช็ดบาดอะไรเรียบร้อยแต่ว่าพระองค์หลวงตาเนี่ยพูดได้เลยว่าองค์ไหนเคยดูแลบาด ท, ท่านท่านจะไม่ให้ใครเอ า, เอาบาดของท่านท่านจะไม่เไม่ไม่ให้โยมล้างบาด ท, ท่านเด็ดขาดในช่วงนั้นนะช่วงที่จนหลวงตา ถ้าว่าท่านองค์ไหนพอดูโลระเงีงนะ้ยท่านรักท่านรับบาดเองเลยท่านออกไปล้างเองนะเออพอท่านทําเท่านั้นแหละโอ้โหแล้วก็พระตอนเช้าเหมือนกันบางทีท่านตื่นมืดปุ๊บปรับมาเอาบาดบริขาลท่านจะพายลงมาเองนะบางทีพระยังไม่มาท่านพันลงมาก่อนอนะ่ะอันนี้หลวงพ่อยังไม่เคยทํำนะครับลูกศิษย์หลวงพ่อนะแต่หลวงตาเนี่ยทำหลวงพ่อเห็นอย่างนั้นโอ้โหสะดุ้งเลยแค่ว่า ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไม่ให้นอนใจเลยนะ่ะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาบางทีออกมาเนบางทีเราขึ้นไปห้าโมงครึ่งใช่ไหขึ้นไปกุฏิของท่านอพอตีห้ากว่าตีห้าสิบห้านาทีท่านลงมาแล้วแต่ภายบาทอุยุอายะลงมาลเลยพอลงมาเลยตอนนั้นะพระบางองค์ยังไม่ได้ขึ้นศาลาทต่นั่นโอ้โหนาวหนาวร้อนร้อนล้วันนะอบางทีท่านลงมาถูสลาอีกต่างหากอท่านไม่ได้ทํา อย่างเก่านะนานๆท่านจะขันไขาลานอีกครั้งหนึ่งคือผ้าท่าพระอ่อนแอปวกเปียกขึ้นมาเมื่อไหร่รเมื่อ น, นั้นแหะท่านก็ออกมาลนะออกออ ก, ออกมาจากกุฏิอย่างที่ว่านะทั้งพระฝรัง่งทั้งพระไทยนะโดยมากพระฝรั่งกับพระไทยพระไทยเกินพระฝรั่งไม่กี่องค์นะสมัยนั้นอนะประมาณพระไทยในะประมาณ 8, แปดถึง้าองค์ถึงสิบองค์ พระฟรังกะเจ็ดแปดองค์ลักษณะอย่างนั้นพระคือหลวงตารั บ, รบพระไม่มากสมัยนะั้นประมาณสิบแปดสหรือ20สบองค์ทั้งพระในพรรษาเนี่ยคือพระที่ลูกหลานมาบวชไม่เกิน22อพระที่ท่านรับนะเต็มเต็มวัดป่าบ้านตาดนี่แหละอันนี้ก็คือแนวองค์หลวงตาท่านไม่พระเนะคุ้นเชื่อทะลึล่ง วิาสาสะก็องหลวงตาเห็นหลวงตานะี่ยโอ้โมิใช่ธรรมดาเหมือนกันนะอจะพูดคําไหนออกมาพูดคำหนึ่งออกไปคำหนึ่งเลยพูดพูดผิดผิดไปเนะยดูนดายต่างหากใช่เพราะมันพูดผิดคำใชอพูดจะพูดอีกคำหนึ่งแต่มันพูดไปเอาออกไปอีกคำหนึ่งนะโดยมากเป็นอย่างนั้นนะออย่างหลวงปู่บุญมีหลวงปูล่ลีก็เธอสมัยกันนะพูดไม่ออกเหมือนกันนะั่นแหละเดี๋ยวหลวงพ่อนะี่ยอยากจะให้ หลวงตากลับมาทรงธาตุขันอยู่แล้วเกิดเนะหลวงพ่อก็จะได้ระวียงระวังอีกเหมือนกันนะวะหลวงพ่อก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันเรื่องการเรื่องการก่อสร้างเรื่องการอะไรนยะอถ้าว่าหลวงตา ย, ยังอยู่อเห็นไหมพวกลูกหลานทั้งหลายอหลวงตายมาวัดของเราหลวงพ่อทําอะไรไปบ้างสาลาหลังนอกคงไม่มินเด็ดขาดแน่นอนถึงใครจะมามากขนาดไหนก็เถะคงไม่มีฮะ แต่ไ่หลวงตาจากไปแล้วจำเป็นว่า <c oughs> แสดงความคิดเห็นจำเป็นว่าลูกหลานเพราะว่าคนมันมามากเราควรจะสร้างศาลาหลังนั้นรองรับนะถ้ามาอย่างนั้นไม่ได้นะมันแน่นเกินไปแล้ว น, นี่แหละแต่ถึงอย่างนั้นสมัยก่อนเราไม่กล้าคิดเลยเพราะอะไรเพราะหลวงตาท่านมอง อ, อ, อย่าลืมตัวการอ ย, อยู่อย่างพระ ขนาดพระที่อยู่ด้วยกันขนาดนั้นเลยหลวงตายัางเห็นไหมตะคายบาทออกมาแต่เช้าเลยองค์เดียวเดินมาตุมดมดุ ม, ด ม, มาถ้าใครจะไปรับบาดช่วงนั้นก็รับไม่ได้นะี่อย่ามายุ่ง <c oughs> ใครใครจะไปยุ่งใช่ไหมละ่ะ อ, อใครจะถอยกูดแล้วก็งั้นเลยพอท่านเสร็จวางแล้วก็ต้อมร อ, อมองๆไปท่านจะว่ายอย่างนี้อีกไหมถ้าว่าท่านจะทําเองก็ไม่บาแต่รู้ว่าท่านไม่ทำหรอก พอมาวางเกล็เสร็จแล้วเราก็ตมๆนเข้าไปจับท่านไม่ว่าอะไรยังค่อยอว่ า, ามัดบาดมัดบามดมัดบริขาร เ, เหมือนตะกอ น, นเอนถ้าหากว่าท่านายา ม, มายุ่งนี่นยนึ่าหัวหัวหดตดแตกเนาะงั้นใครกลัวหมดลงตาใช่าตาตาของท่านเน่ยเขียวปัดทำท่าวางมาดโอ้ไม่ใช่ธรรมดาเลยไม่ให้ลูกศิษย์กลัวไม่ได้นะลงตานี่ <c oughs> นั่นแหละอันนี้ก็คือการที่เข้าไปดูดูแลแต่องค์ที่นั่นเข้าไปดูแลดูแลใกล้ชิดนี่ยองค์นี้นแหละเวลาวางกระโถ น, นวางอย่างไงเวลาวางกาน้ําวางอย่างไงเวลาพาวางผ้าเช็ดหน้าที่ตอนเช้าแต่ท่านวางไงตอนเย็ น, นยขึ้นไปพอปัดกวาดทําความสะอาดเช็ดเรียบร้อยก็ดูแลแต่ไงกาน้นําแล้ว เอาใส่ขนาดไหนไม่ใช่ต่างโคนต่างใส่นะไม่ใช่ให้ใส่ให้เต็มกาเนะี่ยใช่ไนหะให้คล้ายกันจนได้ขี ด, ดนะเอาไว้นะตมาตั้งแล้วขี ด, ดนะเอาไว้นะเอาไว้ขนาดนี้วนะ่าเทไม่ให้ไม่ให้มากเกินไปไม่น้อยเกินไปถ้ามากเกินไปมันน้ํามันหนักเนะมันเทมนะมันทําไมมันใส่มากนะักนะมันไม่เห็นเหรอเราบอกมันทําไมไม่สังเกตเหรอมันมาอยู่แปบว่หนักใจนะมันอยู่แบบโง่งๆเนี่ยนั่นแหละ ก า, าน้ําตัวต้องใส่ขนาดไหนจึงจะพอเหมาะคือไม่ให้มันล้นเกินไปไม่มันพองเกินไปแล้วแก้วน้ำเนี่ยวางยังไงหูมันมาอย่างไงแล้วก็ผ้าเช็ดหน้าพับยังไงเอาวางที่ลวงก า, าน้ำํำแล้วก็โถนวางยังไงกระโถนปัสสาวะว่ายังไงคือให้อยู่ในจังหวะทั้งหมดก็ว่าเคลื่อนไม่ได้เอถ้าหาว่าวันหนึ่งท่านเอากโถนไปวางไว้ที่หนึ่ง แล้วก็วันที่สองอีกท่านก็ไปวางไว้ที่เก่าอีกพอวันที่สามท่านไปวางไว้ที่เก่าอีกอพอวันที่สามพอวันวันที่หนึ่งเราก็จับมาไว้ที่เก่าใชที่สองวันที่ก่อนที่สามแต่ท่านวางไปไว้ที่อื่นพอวันที่สามที่สี่ท่านั้นมันดูมันสังมันมันได้สังเกตไหมที่มันมาขึ้นมากุติเราเนี่ยเห็นไหมเราวางไว้ที่ไหนกระทถน มันทำไมเอามาไว้ที่เก่ามันทำไมไม่สังเกตการที่เราเอาไปวางไว้ถึงสามครั้งนะ่ะแสดงว่าเราอยากจะให้เอาไปไว้ที่นั้นทำไมไม่สังเกตมันโง่ทั้งขนาดนั้นเลยทำไมไม่มีเฉาไม่มีความคิดเสรยภาสนะี่ครับทีนี้นั่นแหละอันนี้ก็คือหลวงตาที่ท่านสอนสิทเพราะนั้นการที่จะวางสิ่งของอะไรก็ตามบาทก็ตามวางไว้อย่างไงพับไว้อย่างไงเปิดไว้อย่างไง เราต้องสังเกตทั้งหมดเธอเข้าเดินเข้าไปกุฏิพอเดินเข้าไปป๊บเปิดประตูป๊บมองเลยอันไหนอยู่ในสภาพไหนอันไหนอยู่ในอยู่ในลักษณะไหนใ น, ในการวางบริขารของท่านในการของใช้ของท่านประจำวันของท่านเราต้องเข้าไปก็ต้องดูไม่ใช่ภูมิาพามเข้าไปเกิดจับยกจับยิบมันไม่ใช่นะเราต้องสังเกตพอสังเกตเสร็จเรียบร้อยแล้วพอวันต่อมาอีกท่านวางไว้ยังไงอีก พอวางไว้ยังไงแล้วก็วันที่สองวางให้พอวันที่สามเราเออกไว้ที่เก่าไว้อย่างที่ท่านวางไว้แต่ก็วันต่อมาที่ท่านกลับไปไว้ที่เก่าเราก็ต้องออกไปไว้ที่เก่าอีกนะอันนี้แหละก็คือแนวองค์หลวงตาที่ท่านสอนสิทธิอนุสิถ้าว่าท่านไม่ไว้ใจใครท่านจะไม่ ห, หยิบบริขารในในเรื่องนั้นๆเด็ดขาดนะ น, นี้แหละ อันนี้กัพอองนั้นแหะเป็นผู้ดูแลองนี้มีเป็นผู้ดูแลดูแลตะกร้าตลอดถึงห้องน้ําห้องน้ำห้องน้งําวางผ้าอาบน้ำอย่างไงวางสบูอย่างไงแต่ตรวงพ่อท่านใช้สบมพูใช้ไม่เปืองหรอกหลงปู่ใช้สบมพูเดือนหนึ่งปีหนึ่งไม่หม ด, ดถึงก่อนทูบกุกหลดกะลาดนิหน่อยเท่านั้นแหะยาชิฟันแปรงชิฟันท่านไม่ได้ใช้ท่านฉันหมากฮะ แต่มาไดแ้แปลงฟันมิได้ใช้ไม้ชีฟันจิ้มฟันแปลงฟันเท่านั้นเองหลวงตาหลังานะจากนั้นท่านก่อนนะั้อยู่แบบเรียบง่ายพกง่ายๆท่านอยู่แบบเรียบง่ายท่านสงน้ําเองเอพอตอนบ่ายมาท่านก็สงน้ําเองถ้าวันไหนจะให้สงน้ําถวายท่านท่านก็บอกเออวันนี้รู้สึมันร้อนวะ่ะเราไม่ได้สงน้ําหลายวันแล้วคือมาถูหลังให้เราหน่อยนะ เราก็ทำอาจาริยวัดคือเข้าไปกับไปถูหลังให้ท่านอาบน้ำให้ท่านสงน้ำให้ท่านเท่าท่านบอกนะถ้าท่านไม่บอกเราก็เราก็ไม่เข้าไปใกล้ละท่านเป็นอยู่แบบอิสระหรืออยู่แบบเรียบง่ายของท่านตอนนี้ต่อมาหลวงพ่ออยู่ที่นั่นน่ะหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นท่านเขียนในขณะที่หลวงพ่ออยู่นั่นนะ ประวัติหลวงปู่มั่นกับปฏิปทาพระตุโถงกรรมาฐานถ้ามีอีกเล่มหนึ่งหนังสือเล่มนั้นเพื่อใจที่ได้ทุกข์เล่มนั้นท่าว่าลง้งพ่อว่าล้มเล่มจะเล่มใหญ่แต่มันทําไม ม, มันไปที่ไหนเอกสารเล่มนั้นคือประวัติหลวงปู่มั่นคือสีสปดาเขาในมโ น, นท่านอาจารย์อยู่กับหลวงปู่มั่นเยจะอยากจะได้ปฏิปทาใน แ, แนวทาง ของหลวงปู่มั่นท่านอาจารย์พอเขียนได้ไหมท่านอาจารย์เออเอาหลับท่านก็เขียนเขียนประวัติหลวงปู่มั่นพอเขียนเสร็จแล้วเจ็ดวันเขาก็ตะลงลงสีสัปดาครั้งหนึ่งเพราะว่าสัปดาแก่ว่าหนังสือสีสัปดาให้สัปดาหนึ่งก็จะออกครั้งหนึ่งลงตาท่านก็เขียนเท่าเขียนท่านนี้ถ้ามัถ้าไม่ได้เขียนเลยก็ไม่ได้สัปดาหน้าไม่รู้เขาจะเอาอย่งไรท่านก็เขียนอีกเขียนวันได้สามสีหน้ากระดาษ ที่ประวัติของหลว ง, งตาพอท่านเขียนเสร็จแล้วท่านก็พิมพ์พิมพ์เองเนี่ยพิมพ์พิมพ์มแบบสัมผัสนะพิมพ์ดีที่นะ่ะพิมพ์ดีเนี่ก็ท่านปัญญาเอาเครื่องพิมพ์ดีสั่งมาจากอังกฤษนะสั่งมาจากอังกฤษแล้วก็ตัวหนึ่ง 5,000 บาทสมัยนะั้นโอแพง 5,000 บาทใช่ไหมและถ้า ต, ตามปกติท่านจะพิมพ์ธรรมดาแต่ท่นพันปัญญให้แบบสัมผัสพิมพ์แบบ ใช้แบตเตอรีนะ่ท่านปัญญาเอาแบตเตอรี่ชาร์จแบตเตอรี่ให้หลวงตาพิมพ์แบบง่ายๆเบาๆนะท่านปัญญาทําให้แนละ้วเสียแบตเตอรี่เสร็จแล้วแล้วก็พิมพ์ดด ท, ที่แรกหลวงตาก็พิมพ์แบบจิ้มเหมือนตอกโอ้พอต่อมาท่านพิมพรัวเลยเนะ๊เก่งเนะลยหลวงตาอยุหกสิปีในะช่วงนั้นที่หลวงพ่อเขาไปอายุหลวงตาหกสิบกว่าปีนะหลวงตาเนี่ยพิมรัวเลยเนละ คำแปลว่านาทีหนึ่งเนี่ยได้สิหคำนได้สคํากคำก่าเก่งแล้วกันค่ะถ้าไปสอบแปลว่าติดติดอันดับแต่ว่าครูครูสอบแล้วก็แปลว่าติดอันดับหลวงตาอายุแก่ถึงขนาดนั้นนะท่านความฝึกของท่านไม่ใช่ธรรมดาท่านจะยืนท่านจะหานเสร็จแล้วบางทีท่ก็พิมพ์เขียน ไอ้เขียนหนังสือข้อความของท่านเขียนขยุก็ยิกเราอ่านไม่ออกออืย้อนหน้าย้อนหลังแต่ท่านจะเขียนเขียนเสร็จแล้วก็มาพิมพ์เลยตะดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดแต่ว่าท่านพิมพ์ตัวนี้น่ะโตพิมพ์ตัวนี้น่ะโอ้เออทําไม่มีถ้าไม่ไว้ใจจริงๆท่านไม่ให้ใครจับเด็ดขาดนะเออท่านจะทําแต่ที่นี้ท่านบอกให้สอนให้ทํา จับยังไงจับแท่นต้องจับอย่างนี้ต้องวางอย่างนี้พิมพ์ดีต้องวางนี้ห่างขนาดนี้โต๊ะที่วางข้างล่างขนาดนี้กระโถนขนาดนี้แล้วก็ห่างขนาดนี้จนเอานิ้วมือมาวัด ท, ท, ทั้งทุกข้างแลว่าง น, นขนาดนี้ขนาดนี้แล้วให้อยู่ในมุมจำกัดถ้ามันผิดน้อยหนึ่งเท่านั้น มันทำไมให้ได้พูดหลายครั้งนักมันไม่สังเกตเหรอที่เราทําให้ดูมันทําไมมันมันโง่ทั้งขนาดนั้นเหรอทาไมมันไม่สังเกตเราอยู่กับคนโง่มันหนักใจนะอย่ามายุ่งกับเรานะถ้าอยู่แบบโง่อๆอย่างนี้นะอ๋อนั่นๆเพราะนั้นต้องดูเออเวลาจะยกท่านก็มองเหลือบตามองด้วย เราทํำยังไงลําทําตามที่ท่านสั่งไหมถ้าทําตามที่ท่านสั่งทุกอย่างเนี่ยท่านก็เฉยจะได้พิมพ์เสร็จเรียบร้อยท่านก็มาอ่านตรวจดูปวดตัวเอาไปเก็บอพอเก็บเราเก็บยังไงเก็บอันหนึ่งสําเนาอันหนึ่งอันหนึ่งเก็บเพื่อจะส่งบีบใส่แป๊กหรือว่าแนวนีบหนีบให้ดีก่อนที่หนีบจะต้องอ่านอ่านดูก่อน เข้าหมายเลขซะก่อนเสร็จเรียบร้อยนะเอาเข้าอันที่อพอเสร็จแล้วท่านยังไปตวรวจดูอีกนะกลัวมันจะผิดพลาดนี่นแหละอันนี้ก็คือประวัติของหลวงปู่มั่นที่หลวงพ่อจยุดที่นั่นต่อมาก็มาพอประมัรปู่มั่นหมดแล้วเลคนโอ้โหติดใจในแนวที่องค์หลวงตาเขียนประวัติหลวงปู่มั่นใครๆฟังขึ้นมาแล้วก็พอใจอซึ้งใจสีจัมปานขายดีเลย ต่อไปท่านอาจารย์จะทํำยังไงอีกจะมีหนังสืออะไรออกไหมหลวงตาอืมน่าจะเป็นปฏิปทาปฏิปทาคือแนวทางของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นที่สอนลูกศิษย์สอนหลวงปู่เทศหลวงปู่เขาหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่าเวียงจันทร์หลวงปู่ลาทิมรณภาพที่บรรนาเกณฑ์เนี่ยครูบาอาจารย์หลวงปู่ลีหลวงปู่แว้น หลวงปู่ตื้อในปฏิปทาพระทุโงกรรมฐานหลวงตากเขียนแต่ละปีตาแต่หลวงตาไม่ได้ไม่ได้ระบุชื่อนะท่านแต่เอาแนวทางแต่หลวงปู่ตื้อแนวทางของหลวงตื้อปู่ตื้อเป็นยังไงท่านก็เอาแนวทางหลวงปู่ล่าเป็นยังไงแนวทางหลวงปู่ท่านก็เขียนเป็นแนวทางแนว่าปฏิปทาพระทุดงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนี่แหละ หลวงพ่อก็อยู่ในธนัตอยู่ในธนันนะ่ะได้เก็บหนังสื อ, เ, อเกือบทุกวันนะ่ะที่หลวงตาพิมพ์ดีนะนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงตาชีวิตประจำวันขององค์หลวงต า, าท่านอยู่แต่พอฉันจะอารเสร็จแล้วนะ่ะเข้าไปกุดิเงียบนะกดิเงียบแล้วอพอพักหน่อยหนึ่งท่านก็อาจพักท่านก็อยู่ในข้างในแะท่านก็เขียนแต่ว่าการเขียนในสอของท่านนะ่ะไม่ใช่นั่งโต๊ะนะ นอนเมบปเหมือนกับนอนเมเิเด็กเด็กที่นอ น, นเอาศอกไปดูที่ศอกของท่านเนม่ยดำมาทั้งสองข้างเพราะศอกเท้าเท้าก็ะพื้นเมือ น, น, นกันแล้วก็เขียนเ อ, เ, อเอานอนเอาหมอนลูกหนึ่งนูนอกซะนีนนอกนั่งเขียนนี่แหละคือหลวงตาท่านาที่ท่านประวัติของหลวงปู่มั่นปฏิปทาพระตุหงกรรมฐาน ท่านแบบเขียนออกมาแบบน้ำจิตน้ำใจออกมาจากใจจริงของท่านจริงๆท่านก็บอกว่าหนังสือหลวงปู่มั่นปฏิปทานเป็นแนวความคิดเป็นหัวใจของท่านที่ออกมาจากใจจริงแต่ท่านเขียนประวัติของหลวง ป, ปู่มั่นท่านเขียนแบบแบบไม่ใช่ไม่ใช่แบบปรมาณ์แบบเกจิแบบอัธกถาคล้ายคล้ายแบบเรื่องราว เรื่องเราแบบเหมือนธรรมบทลักษณะอย่างนั้นอ่ะที่ท่านเขียนประวัติของหลวงปู่มั่นเป็นแนวทางมี เ, เรื่องเล่าบางมีอภิเนหานบางมีแนวความคิดบ้างเรื่องอที่องค์ของท่านไปอยู่ณสถานที่ใดอย่างไรบ้างนี่แหละคือชั้นเชิงเล่เหลี่ยมที่องค์หลวงตาที่ท่านเขียนประวัติหลวงปู่มั่นถ้าพวกเราอ่านนะค อ่านดูสิว่าหลวงปู่ท่านเขียนยังไงหลวงพ่ออ่านแล้วอ่านอีกนะซึ้งนะแนวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นนะอา้าววันนี้เอาตอนนี้ก่อนถ้าพูดไปมากกว่า น, นี้เดี๋ยวกูบาททั้งหลายจะหิวหิวข้าวนะเดี๋ยววันต่อไปค่อยพูดต่ออีก